คุณแม่ชีแก้วผู้รอบรู้พิสดารที่บ้านห้วยทายแห่งนี้มีนักปฏิบัติธรรมหญิงท่านหนึ่งนามว่าคุณแม่ชีแก้วเสียงลำเวลาภาวนา มักจะมีความรู้แปลกพิสดารมากเมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านนี้จึงได้มีโอกาสสนทนาและให้อุบายทางจิตตะภาวนาอันสำคัญยิ่งต่อคุณแม่ชีแก้วหลวงตาเล่าถึงชีวิตการปฏิบัติธรรมอันน่าอัศจรรย์ยิ่งของคุณแม่ชีแก้วไว้ดังนี้ ชี้แก้วที่อยู่บ้านห้วยซายนี้เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของท่านอาจารย์มั่นมาตั้งแต่เป็นสาวนนท์นนะแกภาวนาเป็นตั้งแต่เป็นสาวนน่นถ้าวันไหนภาวนาแปลกๆพอท่านอาจารย์มั่นบินทบาทมาถึงนั้นท่านจะว่าวันนี้ออกไปวัดนะเพราะท่านยังทราบทุกอย่างทีนี้ พอท่านจะจากที่นั่นไปท่านก็บอกตรงๆเลยบอกว่านี่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วเราจะเอาไปบวชเป็นเนนด้วยอายุตอนนั้นราวสิบหสิเจ็ดปีนี่เป็นผู้หญิงมันลำบากลำบนไม่เอาไปแหละอยู่นี่แหละจะเป็นบ้าครอบครัวเหมือนโลกเขาก็แล้วแต่เธอ ว่าดังนี้แล้วท่านก็ไปก่อนจะไปท่านสั่งว่าแต่อย่าภาวนานะนี่สำคัญท่านสั่งไว้จุดนี้แหละคือนิสัยแก่ผาดโผลนมากเรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผลนมากจริงๆเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนในหัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมดเทวบุตรเทวดา อินพรมเปรตผีนี้มันไปนรู้ไปหมดนั่นสิทีนี้เวลาไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยบอกกลัวมันจะเสียท่านจึงห้ามไม่ให้ภาวนาเราไปนี้ไม่ต้องภาวนาแหละต่อไปมันก็จะมีครูมีอาจารย์สอนเหมือนกันนั่นแหละท่านว่าอย่างนี้ ท่านว่าผ่านๆไปอย่างนี้แหละทีนี้นานเข้านานเข้าหนักเข้ามันก็อดไม่ได้มันอยากภาวนาอยู่ตลอดแกก็เลยภาวนาก็พอดีเป็นจังหวะที่เราไปที่นั่นพอเหมาะดีเลยเทียวพอเราไปแกก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เราไปนั้นเราไปจำพรรษาบนภูเขา ให้หมู่เพื่อนจำพรรษาข้างล่างเรากับเนนหนึ่งไปจำพรรษาอยู่บนภูเขาบ้านห้วยสายนั่นแหละพอวันพระหนึ่งหนึ่งพวกเขาจะไปไปพร้อมกันไปละไปทั้งวัดเขาเลยแหละพวกแม่ชีแม่ขาวหลังไหลกันไปขึ้นบนภูเขาหาเราตอนบ่ายสี่โมงสี่โมงเย็นเขาก็าไป ตอนชวนหกโมงเย็นเขาก็กลับลงมาพอไปถึงแกก็เล่าให้ฟังขึ้นต้นก็น่าฟังเลยนะพอแกขึ้นต้นก็น่าฟังทันทีนี่ก็ไม่ได้ภาวนาเพิ่งเริ่มมาภาวนานี่แหละ่าท่านมั่นท่านไม่ให้ภาวนาแกว่าอย่างนั้นท่านห้ามไม่ให้ภาวนา เราก็สะดุดใจกึกมันต้องมีอันหนึ่งแน่นอนหลวงหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ภาวนานี้ต้องมีอันหนึ่งแน่นอนจากนั้นแกก็เล่าภาวนาให้ฟังนี้โถไม่ใช่เล่นๆพิสดารเกินคาดเกินหมายเราก็จับได้เลยทันทีอ๋ออันนี้เองที่ท่านไม่ให้ภาวนาพอไปอยู่กับเรา ไปหาเราก็ภาวนาพูดตั้งแต่เรื่องความรู้ความเห็นไปโปรดเปรตโปรดผีโปรดอะไรต่ออะไรนรกสวรรค์แกไปได้หมดรู้หมดแกรู้ทีนี้เวลาภาวนามันก็เพลินแต่ชมสิ่งเหล่านี้ครั้นไปหาเรานา น, านเข้านานเข้าเราก็ค่อยห้ามเข้าหักเข้ามาเป็นลำดับลำดาห้ามไม่ให้ออก ต่อไปห้ามไม่ให้ออกเด็ดขาดนี่แหละเอากันตอนนี้ทีแรกให้ออกได้ให้ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ได้ไหมเอาไปภาวนาดูครั้นต่อมาไม่ให้ออกต่อมาเด็ดเลยเด็ดเลยห้ามไม่ให้ออกเป็นอันขาดนั่นเอาขนาดนั้นนะทีนี้ให้กระู้ภายใน อันนั้นเป็นรู้ภายนอกไม่ใช่รู้ภายในไม่ใช่รู้เรื่องแก้กิเลสจะให้แกเข้ามารู้ภายในเพื่อจะแก้กิเลสแกไม่ยอมเข้าเถียงกันแกก็ว่าแกรู้แกก็เถียงกันกับเรานี่แหละตอนมันสำคัญนะพอมาเถียงกับอาจารย์อาจารย์ก็ไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงภูเขาเลย ไปจะไปที่ไหนไปสถานที่นี่ไม่มีบัณฑิตนักปราศมีแต่คนพานนะใครเป็นบัณฑิตนักปราศให้ไปลงไปไล่ลงเดี๋ยวนั้นร้องไห้ลงไปเลยเราก็เฉยน้ำตานี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเราเอาตรงนั้นไล่ลงไปอย่าขึ้นมานะแต่นี้ต่อไปห้าม ตัดเด็ดกันเลยไปได้สีห้าวันโผล่ขึ้นมาอีกขึ้นมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนแกว่ามันอะไรกันนักปราดใหญ่เราว่าอย่างนั้นน่ะว่านักปราดใหญ่แกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดเสียก่อนให้พูดเสียก่อนแกจึงเล่าให้ฟัง คือไปมันหมดหวังแกก็หวังจะพึ่งก็พูดเปิดอกเสียเลยแกหวังว่าจะพึ่งอาจารย์องค์นี้ชีวิตจิตใจมอบไว้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ถูกท่านไล่ลงจากภูเขาเราจะพึ่งที่ไหนแล้วเหตุที่ท่านไล่ท่านก็มีเหตุมีผลของท่านว่าเราไม่ฟังคาท่าน ท่านไล่นี้ถ้าหากว่าเราจะถือท่านว่าเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วทำไมจึงไม่ฟังคำของท่านเพราะเราอวดดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทีนี้ก็เลยเอาคำของท่านมาสอนมาปฏิบัติมันจะเป็นยังไงเอาว่าสิมันจะจมก็จมไปสิคราวนี้ แกเอาคำของเราไปสอนไปบังคับไม่ให้ออกอย่างว่านั่นแหละแต่ก่อนมีแต่ออกแต่ออกห้ามขนาดไหนถึงว่าไล่ลงภูเขาแกไม่ยอมเข้ามีแต่ออกรู้อย่างเดียวพอไปหมดท่าหมดทางหมดที่พึ่งที่เกาะแล้วก็มาเห็นโทษตัวเอง ว่าเราถือท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ทำไมไม่ฟังคำท่านฟังคำท่านสิทำลงไปแล้วเป็นยังไงให้รู้สิเลยทาตามนั้นพอทาตามนั้นมันก็เปิดโล่งภายในสิทีนี้ย้าขึ้นเลยเชียวนี่ก็สรุปความเอาเลยนี่แหละที่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาเพราะเหตุนี้ ทีนี้ได้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นละทีนี้รู้ตามที่เราสอนนะเออเอาละทีนี้ขยาลงไปนะตรงนี้ทีนี้อย่าออกอย่ายุ่งยุ่งมานานแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราดูดินฟ้าอากาศดูสิ่งเหล่านั้นหนะ่ะดูเปรตดูผีดูเทวบุตรเทวดา มันก็เหมือนตาเนื้อเราดูสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถอนกิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงถอนกิเลสเราก็ว่าอย่างนี้เอาดูตรงนี้นะแกก็ขยำใหญ่เลยเอาใหญ่เลยลงใจไม่นานนะก็ผ่านไปแกบอกแกผ่านมานานนะ พุทธศักราช2494เราไปจำพรรษาที่ห้วยสายในราว2495ละมังแกก็ผ่านคำกล่าวอีกตอนหนึ่งของท่าน เล่าถึงเรื่องความพิสดารของคุณแม่ชีแก้วดังนี้ความรู้ของคุณแม่แก้วแปลกพิสดารมากสำคัญที่สุดที่เรียกว่าไม่พลาดเลยเวลาเราไปไหนมาไหนนี่ไม่มีพลาดเลยแม่นยำไม่มีเคลื่อนเลยเพราะเราออกจากวัดเอา ญาท่านไปแล้วนะวันนี้นะว่าอย่างนั้นนะไปแล้วที่เราไปไหนมาไหนนิสัยเราก็อย่างนี้มันไม่เคยพูดไม่เคยบอกใครมันเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรทางนี้ก็รู้แล้วเริ่มแล้วนะนี่อบอุ่นเข้าแล้วค่อยอบอุ่นเข้ามาอบอุ่นเข้ามาพอถึงที่ก็ว่าถึงแล้ว ตอนเช้าก็หุงข้าวแล้วเตรียมหมากทุกวันไม่มีพลาดเราถึงได้ถามนะสินี่เตรียมมาทุกวันหรือหมากนี่ข้าวเนี่ยหุงข้าววันละหม้อเล็กมาให้ทุกวันตอนเราอยู่นั่นนะ่ะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหุงข้าวเตรียมหมากแกคอยจัดตัวแค่เองไม่มาหรอกแต่ให้แม่ชีมาจังหัน แม่ชีก็เอามาส่วนแก่นานๆจะเอามาทีหนึ่งถามแม่ชีเรื่องหุงข้าวแม่ชีตอบว่าเพิ่งหุงตอนยาท่านมานี่แหละเขาเรียกยาท่านเป็นความเคารพของเขานะมากนี่เพิ่งทำตอนยาท่านไม่อยู่ข้าวนี่ก็งดหมดแล้วทำไมถึงรู้ว่าจะทำแม่ชีตอบ ก็คุณแม่บอกให้ทําไปเถอะ่าท่านมาแล้วนี่แหละอันนี้ไม่พลาดนะสำคัญไม่มีพลาดกับตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพโอ้ยแกแม่นยํำของแกขนาดนั้น่าท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้แกเล่าว่า่าท่านมาบอกว่ามานี่มาไปดูเสียซากเรา เห็นแต่ซากแล้ว่าท่านว่าพ่อไปแล้วนะพอพูดคุยกันยังไม่เลิกเลยไอหลานมันก็ไปคํเชอีไปได้ข่าวเขาออกวิทยุตอนเจ็ดโมงเช้าประกาศลั่นว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วมาถึงมันก็วิ่งถึงวัดเลยวิ่งกระหืดกระหอบมาอะไรโอ้ ย, อย่าท่านเสียแล้ว นั่นเห็นไหมเห็นไหมเสียในเวลาเท่านั้นเท่านี้เขาประกาศลั่นนี่ก็แม่นยำมากสิทธิ์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งในระยะที่พักอยู่บ้านห้วยทรายแห่งนี้คือตาประขาวชื่อคำตัน ซึ่งระยะต่อมาไม่นานตาประขาวก็ได้บวชเป็นพระภิกษุหลวงตาเมตตาเป็นผู้จัดหาบริการเครื่องบวชให้ด้วยตนเองดังคำกล่าวของท่านว่าหลวงพ่อตันนะองหนึ่งนะอันนี้ก็เราบวชให้เลยนะเป็นตาประขาว แกภาวนาดีแกเล่าภาวนาให้ฟังเข้าท่านิวะเราเลยให้ไปบวชมุกดหารเราไม่ไปแหละแต่ให้โยมพาไปให้พระพาไปบริขารเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วให้ไปบวชแล้วมาอยู่กับเราหลวงพ่อตันนี้องค์หนึ่ง โามานดาระยะต่อมาด้วยความระลึกถึงพระคุณของโยมานดาอยากให้โยมมานดารู้เห็นและพบความสุขจากธรรมนี้บ้าง ท่านจึงจากบ้านห้วยสายมาที่บ้านตาดเหตุการณ์ในระยะนี้หลวงปู่ล่าบันทึกไว้ว่าพอถึงปีพุทธศักราช2497ออกพรรษาแล้วจีวรการเสร็จองค์ท่านหมายถึงหลวงตามหาบัวจะได้ไปเอามารดาบวชขาว องท่านก็คิดและหวนทวนไปมาว่าถ้าบวชแล้วจะเอาโยมารดามาอยู่ห้อยสายคุณชีแก่ๆอายุมากตลอดทั้งหนุ่มก็มีอยู่มากแล้วเกรงจะมาทับถมให้ภาระหนักขึ้นแก่ผู้ที่ท่านบวชก่อนเพราะเป็นโยมารดาของผู้เป็นเจ้าอาวาส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 จงพาหมู่อยู่นี้บ้างในพรรษาต่อไปนี้ทีนี้ส่วนผู้ที่จะไปกับผมคนนั้นคนนี้ผมก็ไม่ว่าส่วนจะอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าไปกับผมมากก็ลำบากอีกเพราะไม่ทราบว่าจะได้อยู่ที่ใดแน่จึงเป็นของน่าควรคิดมากแท้ๆในเรื่องนี้ บ้านตานแล้วท่านจึงจัดการบวชชีให้โยมมานดาและให้การอบรมปฏิบัติจิตตะภาวนาปีนั้นโยมมานดามีอายุครบห0สปีพอดีเหตุการณ์ในระยะนั้นท่านเล่าว่าพอได้เวลาแล้วก็จดหมายมาบอกโยมแม่ว่า จะมาจากห้วยสายประมาณวันที่เท่านั้นให้เตรียมพร้อมไว้ตั้งใจว่าเมื่อมาแล้วจะเอาโยมแม่บวชทันทีพอมาถึงโยมแม่ก็พอดีเตรียมพร้อมไว้แล้วก็จับบวชเลยมีผู้เท่าแม่แก้วคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่ติดตามมาสามคนนี้มาเพื่อโยมแม่นี่เอง ถ้าไม่อย่างนั้นโยมแม่จะไม่มีเพื่อนฝูงอยู่เพราะพวกนั้นก็เห็นคุณเรานี่ทีนี้เราจะมาบวชโยมแม่นี้เขาก็ติดตามมาเพื่อมาเป็นเพื่อนฝูงของโยมแม่นั่นหละพอมาก็จับบวชเลยทันทีคล่องตัวเลยจะขอกล่าวถึงโยมมารดาของท่านนับเป็นเวลาหลายปีก่อน ที่โยมบิดาของท่านจะเสียชีวิตท่านได้พยายามเขียนจ ด, ดหมายมาขอร้องบิดาอยู่หลายครั้งให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนในที่สุดพ่อก็ยอมเชื่อและไม่ฆ่าสัตว์ใดๆอีกเลยบิดาของท่านได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว ตั้งแต่ปี2487รวมอายุได้55ปีซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ในป่าในเขาทราบกันว่าพอตอนเช้าวันเดียวกันกับที่โยมบิดาของท่านสิ้นใจท่านได้บอกกับพระเนรที่พักอยู่กับท่านในระยะนั้นว่าเออ โยมพ่อนี่เสียแล้วล่ะเมื่อคืนนี้แหละน้องของพ่อมาบอกว่าพ่อเสียแล้วคอยฟังข่าวนะว่ามันจะหลอกหรือจะจริงพระเนนจึงจดวันเวลาที่ท่านบอกไว้เมื่อผ่านไปได้สักเกือบสองอาทิตย์ ท่านก็ได้รับจดหมายจากญาติพี่น้องทางจังหวัดอุดรธานีว่าโยมบิดาสิ้นแล้วเมื่อพระเนรลองตรวจสอบวันเวลาที่จดบันทึกไว้กับในจดหมายก็ปรากฏว่าตรงกันพอดีเป็นที่อัศจรรย์กันทั่วหน้า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 ศรัทธาสำคัญมากนะวันเสาร์อาทิตย์วันพระนี้คนเต็มอยู่นู่นสถานีทดลองไปฟังเทศเต็มอยู่เขายังมาพูดอวดท่านพ่อหลีเขาไม่รู้ว่าเรากับท่านพ่อหลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไปแล้วก็ เ, เอามาคุยโม้กับท่านพ่อหลีระยะนั้น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 เทพน้ำไหลไฟสว่างไปเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็คุยให้ท่านฟังนะมันต้องอย่างนั้นสิเวลาท่านตอบมันต้องอย่างนั้นสิความจริงรู้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นเวลามาพูดคุยโม้ให้ท่านฟังท่านก็อดหัวเราะไม่ได้ท่านก็ว่า มันต้องอย่างงั้นสิท่านก็ว่าเท่านั้นหละดูคนบ่งลักษณะนักเลนโต บุรีแห่งนี้ในพรรษานั่นเองมีเรื่องหนึ่งทำให้ท่านอาจารย์สิงห์ทองอัศจรรย์ความสามารถของท่านอย่างยิ่งในการดูลักษณะคนแม้เพียงเล็กน้อยแต่สามารถทราบถึงอุปนิสัยใจคอได้ถนัดชัดเจนคือขณะที่พระเนนกำลังทำงานร่วมกันอยู่ท่านก็บอกให้ดูคนคนหนึ่ง แล้วจึงพูดขึ้นว่าพวกท่านดูคนคนนี้เป็นยังไงมาใกล้ชิดติดพันอยู่กับวัดนี้นะ่ะพระเนนทั้งหลายต่างพากันแปลกใจในคำถามของท่านเพราะก็ไม่เห็นว่าชายผู้นี้จะมีอะไรผิดปกติไปกว่าคนอื่นๆแต่อย่างใด อาจารย์สิงห์ทองจึงได้ตอบไปว่าจะว่ายังไงก็เป็นคนดีๆนี่ท่านว่าใช่เหรอือดูให้ดีนะท่านอาจารย์สิงห์ทองพูดอย่างมั่นใจว่าจะดูให้ดีอะไรก็ดูมาดีแล้วให้พิจารณาเสียก่อนนะท่านยัง านั้นท่านก็ได้อธิบายในฉากหลังของชายผู้นั้นว่านี่เป็นนักเลงโตนะสามารถฆ่าคนห้าคนได้โดยไม่รู้ตัวเพราะมีลักษณะทุกอย่างพร้อมหมดเลยท่านอาจารย์สิงห์ทองรู้สึกแปลกใจและยังไม่เชื่อคำพูดของท่านจึงได้แอบตามไปสืบประวัติเบื้องหลังของชายผู้นั้นอย่างจรงิงจัง ชนิดจะเอาให้รู้ความจริงให้ได้เมื่อซักไซไล่เรียงกันอย่างหมดไส้หมดพุงในจุดที่สงสัยแล้วผลปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นทุกประการจึงกลับมาพูดกับท่านว่าโอ้ยอัศจรรย์ท่านอาจารย์ดูคนยังไงทำไมอาจารย์อยู่ๆก็พูดขึ้นทั้งๆ ท, ที่เขาก็ไม่มีอะไรกับท่านอาจารย์ ให้จับพิรุธได้เลยทั้งๆที่เขาก็ดิบก็ดีมาตลอดผมดูเขามาตลอดยอมท่านอาจารย์เลยท่านเคยกล่าวถึงอุปนิสัยใจเด็กของท่านอาจารย์สิงห์ทองให้พระเนนที่วัดป่าบ้านตาดฟังว่า สิงทองนี้เด็ดเป็นคนไม่ยอมใครง่ายหากไม่ยอมแล้วจะสู้เลยหากยอมแล้วจะยอมจริงๆเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มักถูกนำมาเล่าต่อๆกันในวงลูกศิษย์พระเนนแม้ทุกวันนี้ สาแล้วท่านได้พาโยมมารดามาพักที่บ้านสามผานอำเภอท่าใหม่แม้กระนั้นญาติโยมทางสถานีทดลองก็ยังได้ตามมาฟังธรรมและนิมนต์ขอให้ท่านกลับไปอยู่หนืองเนืองจนบางครั้งเป็นเหตุให้ญาติโยมทางบ้านสามผานชักรู้สึกอึดอัดขัดเคืองอยู่ไม่น้อย เพราะก็เคารพรักท่านเหมือนกันไม่อยากให้กลับไปอยากจะให้ท่านอยู่ที่นั่นนานๆหรือหากเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ตลอดไปเลยพอดีในตอนนั้นโยมมารดาก็ป่วยมากจำเป็นจะต้องได้พากลับ มาที่บ้านตาดอุดรธานีอีทั้งโรคของโยมานดาก็บังเอิญถูกกับยาสมุนไพรของหมอที่นั่นจึงเป็นอันซ่องจากจันทบรุรีมาด้วยความอาลัยทั้งสองฝ่ายเพราะเหตุที่ท่านไปจังหวัดจันทบุรีในคราวนั้นเองจากนั้นมาเช้าจันทบุรี ก็ได้ตามมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านที่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยขาดและท่านเองหากมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมพี่น้องชาวจันทบุรีอยู่เสมอเช่นเดียวกัน